เชื่อว่าหน้าปรารถนาอิฐาเนี่ยนะหมายถึงว่าควรเสาะหาเพราะห้ามสิ่งไม่น่าปรารถนานะครับ <analyze> ใช่ไหมครับโอ้สิ่งนี้หน้าปรารถนาจริงๆเลยนะเพราะว่าไอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่มีอยู่เลยในผลของบุญแต่ไอสิ่งที่ไม่หน้าปรารถนาไอ AY! มนุษย์นี่ผลของบุญใช่ไหมครับไอ AY! ทําไมจึงมีสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาอยู่ล่ะเพราะบาปมันมาแทรกให้ผล น, น่ะ น, นะมันเลยไม่น่าปรารถนา นะครับถ้าบุญมันให้ผลเต็มที่บริบูรณ์ก็เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะบาปไม่แทรกเลยลักษณะนั้นนะมันพรามหาุริศลักษณะเป็นต้นจึงงดงามจริงๆแต่ว่าของสัตว์โดยธรรมดาทั่วๆไปก็จะมีบาปแทรกนะครับให้เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นโน่นเป็นนี่เป็นกลากเป็นเกลื่อนเป็นต้นเนี่ยนะเนื่องจากบาปมาแทรกให้ผิวพรรณไม่งดไม่งามเป็นต้นเนี่ยนะให้ดูน่าเกลียดน่ากลัวไปนะนี้นี่บาปมาแทรกนะครับเช่นผิวพรรณซามเป็นต้นบุญไม่ให้ผลผิวพรรณซามหรอครับ แต่ผิดพันสามเนี่ยเพราะไอ้ความโกรธมาแทรกผลของบุญให้ผลนั่นเองขอโอกาสครับเอออย่างเช่นว่าคนเกิดมาแล้วเกิดมาผิวพรรณงดงามเนี่ยแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อจากพ้นจากวัยจากอายุสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามาแล้วมาเป็นอายุหกสิบ้างเจดสิบ้างแปดสิบ้างเก้าสิบ้างเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นเป็นธรรมดาอย่างนั้นนี่ถือว่าเป็นด้วยเป็นด้วยผลของบาปหรือเปล่า ที่นางนางันงเหิวย่นเนี่นก็เป็นได้นะครับอ่านประวัตินางวิสาขาดูสิครับนางวิสาข า, ขาถึงร้อยี่สิบก็ยังงเหมือนสิบหกปีนะครับเป็นไหมไผมก็กลัง<ต>คิดถึงถึงเรื่องนั้นอยู่เหมือนกันถึงได้ถามแต่ว่านางนได้รับผลของบุญแต่ว่าคนอื่นเขาไม่มีบุญได้ยังไงถึงจะเนื้อหนางต้องเหี่ยวย่นมีหลังงออคอเคล็ดผมงอกอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ทําบุญตั้งความปรารถนาแบบนางมาอื แล้วแล้วนัน่นนน่เป็นผลของบาปหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมดาของรูปที่จะต้องเสื่อมสลายคือเสื่อมสลายแน่แต่ว่าเสื่อมสลายแบบหน้าปาถนาเพราะนางวิส า, าขาก็ตายไปแล้ว<ม>นั่นแหละไปคำว่าหน้าปาธนาไม่ใช่ว่าไม่ตายเพราะผลของบุญก็ไม่เที่ยงนะครับตัวบุญเองยังไม่เที่ยงผลของบุญจะเที่ยงมาื่อไหรแต่ว่ามันไม่น่าปาถนาะไม่น่าดูหน้าชมเนี่ยนะเนื่องจากบาปบางอย่างมาเบียดเบียน แต่จะไปรักษามันทําอะไรา้วิบากและกรรมมาชลบมันเป็นผลของกรรมเก่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้สนใจมากนะักตรองสนใจเหตุใหม่มากกว่านะครับนั่นกำลังกำลั ง, กำ ล, งกำลังคิดอยู่ว่าคนที่ได้ดับบุญอย่างนางวิสาขาแล้วตรงกันข้ามอะไรทานองนี้คนที่ตรงกันข้ามก็เนื่องจากบาปมันแทรกให้ผลนั่นเองนะครับอันดูในจุลกรร ม, มวิพังคสูตนนี่จะเห็นชัดเจนเลยนะครับเช่นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะครับ อันนี้ไม่ใช่ผลของบุญให้ น, นะครับแต่ว่าบาปมาแทรกได้เป็นอุปปิและ ก, ะกรรมนะครับกรรมที่เป็นบาปก็มาเบียดเบียนบีบคันโอเคขออนุญาตปกติเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะก็มีผิวพรรณดีนะแต่ว่าพอไปโดนแดดโดนอะไรมากๆเขาก็เป็นฝ้าเป็นฝ้าเ ป, เป็นอะไรอย่างนี้เนี่ยนี่ผลของบาปหรืปปเอเปล่าประโยคน์าววิบัติบาปบางอย่างก็ให้ผล อ๋อยังไงก็มีกรรมเป็นเหตุไกลอยู่เพราะว่าบางคนเขาก็ตากแดดแต่เขาไม่เป็นฝ้าทำไมครับเพราะเขามีพวกน้ำยามาโปมาอะไรเนี่ยนะประโยค่าดีนะครับคือบาปเนี่ยนะครับบาปจะมาเบียดเบียนเป็นต้นเนื่องจากประโยคะนะส่วนหนึ่งนะครับถ้าไม่มีประโยค่าเนี่ยนะบาปเราบางอย่างก็ไม่ให้ผลแต่ประโยค่วิบัติวิประโยนคะบางอย่าง เช่นไปดูศพนะยกตัวอย่างพระพิสูจนที่ไปดูอสุภาษเนี่ยนะครับที่จริงแล้ววิบากในขณะเห็นเป็นอกุศลวิบากนะครับแต่ว่าการสะสมอย่างนี้เป็นไปเพื่อพ้นอยากวัตรทุกข์นะครับหรือการทานอาหารเนี่ยนะตอนเย็นๆเนี่ยถามว่ากุศ ล, ล ว, วิบากใช่ไหมครับแต่กุศลวิบากอย่างนั้นพระองค์สั่งห้ามนะไม่ให้รับนะครับการกินข้าวในตอนเย็นการอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยนะอันวิบากบางอย่างพระองค์ก็ไม่ส่งเสริมอะไรเพราะเพราะเห็นว่า วิบากอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุใกล้แห่งทุกโทษต่อไปนะครับเป็นเหตุใกล้แห่งการทําชั่วเพรา ะ, ะนั้นพระองค์ก็ตัดไฟแต่ต้นลมใช่ไเอออย่างอย่างเช่นว่าคนที่โดนตะขาบกัดหรือแมงป่องต่อยนี้บางคนเขารู้สึกว่าเหมือนเท่าๆกับมดกัดนี่แต่ว่าบางคนเนี่ยพอโดนเข้าไปเราจะบวมทั้งหน้าโดนหน้าบวมหน้ า, นาโดนขาบวมทั้งขาเลย อย่างเนี้ยโดนมือกระผมทั้งแขนเลยอย่างนี้ทำไมก็โดนเหมือนกันแต่ทำไมรูปก็มมีมีอวินิโพเขารูปแปดเหมือนกันแต่ทำไมมันไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนอยู่แล้วครับยังไงก็ไม่เหมือนถึงเป็นคนเหมือนกันยังไม่เหมือนกันเลยนะครับคือโดยพูดโดยสับโดยอะไรก็คล้ายๆกันอย่าว่าคนเลยนะครับผู้เชี่ยวชาญในการปลูกดอกกุหลาบเขาบอกว่า ดอกกุหลาบในสวนไม่ดอกไม่เหมือนกันเลยนะครับเอาทุกดอกมาวัดหนยนะมันจะไม่มีเหมือนกันขนาดดอกกุหลาบนะครับสวนเดียวอะไรเดียวเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนเนี่ยนะเอางี้นะบางคนเนี่ยนะครับบุญเพราะการให้ทานให้ผลนำเกิดบางคนเนี่ยศีลบุญเพราะศีลให้ผลนำเกิดบางคนบุญเพราะภาวนาให้ผลนำเกิดบางคนทานประเภทให้ข้าวนำเกิดบางคนเพราะให้น้ำนำเกิดบางคนเพราะให้ยานำเกิดนะ มันก็มีความแตกต่างแล้วเหตุที่ทาเนี่ยทำกับใครทำที่ไหนอสังขาริกหรือสังขาริกรทาปุพหะเจตนาดีไหมมุนจนะเจตนาดีไหมอ布拉 ป, ประเจตนาดีไหมเนี่ยนะครับก็ปัจจัยตัางเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่เหมือนไอ้เรื่องเรื่องประโยคะเนี่ยนะเอฟังดูเมื่อกี้เนี่ยดูเหมือนกับว่า รูเหมือนกันว่าคนคนที่เขาพยายามป้องกันไม่ให้เป็นใฝ่เป็นฟ้าเนี่ยเออปกติเราจะว่าอนะวังแม่รักนวลส ง, งวนตัวรักสวยให้รักงามไอ้คนที่เข้าร้านเสริมสวยนี่เราจะว่านะเอ๊ะแต่ฟังฟังดูมันเป็นเรื่องดีหรื อ, อยังไงนะ่ะประโยค่สมบัติดีหรื อ, อยังไงทาารคือประโยคะดีบางอย่างวิบอกุศลวิบากก็ไม่ให้ผลเอเราคิดอย่างงี้นะครับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนะ เกิดมาก็นับว่างามแต่ไม่แต่งตัวเลยกับผู้หญิงก็เท่ากันแหละแต่แต่งตัวถามว่าการมีครอบครัวก็แตกต่างกันนะครับวิบากที่จะได้รับเนี่ยนะครับคนมาเกี่ยวข้องก็มีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นประโยค่าของอีกเรื่องหนึ่งสมบัติกับอีกเรื่องอาจจะวิบัติกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเห็นวิบัติกับอีกเรื่องหนึ่งอาจจะสมบัติกับอีกเรื่องหนึ่งหมายความว่าทาตัวแบบนี้เนี่ยนะครับ กุศลวิบากให้ผลง่ายแต่ว่าอนาคตต่อไปนี่อกุศลวิบากจะให้ผลเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วแต่ว่าเราจะเอาอวิบากที่ได้รับเนี่ยไกลหรือใกล้นะครับไกลหรือใกล้นะยกตัวอย่างเช่นพยายามจะไปเสริมสวยใช้เงินใช้ทองสิน้นเปลืองก็เดือดร้อนเรื่องอื่นไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นไหครับครับหรืออาจจะว่าเกิดไม่งามจริงๆแล้วครับไปถูกหมอหลอกอะไรจะเกิดขึ้น หนักเข้าไปอีกใช่ไหมครับไปถูกตั๊กซี่โค้งอะไรจะเกิดขึ้ น, นทุกไปอีกนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นอาจจะวิบัติกันอีกเรื่องหนึ่งอาจจะสมบัติกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือการไปดูดไขมันการอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะอาจจะดีอีกแง่หนึ่งแต่ก็เสียอีกหลายแง่นะครับอาจจะโ ห, โหดูหุ่นงามมากแต่เจ็บตัวน่าดูนะครับเขาบอกว่าเขาทนได้นะโดยมาก น, น, นะครับ เพื่อความงามนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าสีอาจจะงามนะครับแต่ว่าทุกขากายวิญญาณเนี่ยนะครับอย่าบอกใครเลยนะครับนะนะต่อไปนะครับชื่อว่าหน้าใคร่เนี่ยหมายคำว่าเป็นสิ่งควรให้ใคร่และก็เพราะก้าวก้าวเข้าไปถึงใจงนนหนนเถอะน้าใคร่เนี่ยมันเข้าถึงใจเลยนะหรือว่าน่ารักเพราะเป็นสิ่งที่ควรน่ารักเพราะให้เกิดความเอิบอิ่ม ชื่อว่าน่าพอใจเพราะให้เกิดความนับถือและเพราะความเจริญแห่งใจนะครับฟังแล้วก็เจริญใจเห็นแล้วก็เจริญใจไปหมดนะครับแต่ถ้าหากว่าคนที่มีบาปไปให้ผลนะครับที่เหมือนกับอะไรนะในพระไตรปิฎกกล่าวถึงนางปัญจะ ป, ปัญจะปาปีนะครับบาปผ้าแห่งเนี่ยนะครับสํานวนไวๆเหมือนกับผีเดินได้นะนั่นนะกลางวันเนี่ยดูไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไปจับเนื้อต้องตัวเข้ามา ยอมเป็นทาสเป็นขี้ข่าขอเอาขอให้ได้นางเป็นเมียเนี่ยนะบางคนก็เป็นเอาขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ไอ้ส่วนที่สัมผัส ด, ดีเนี่ยเป็นผลของบุญนะครับไอ้ส่วนที่รูปร่างหน้าเกลียดเนี่ยนะผลของโทสะนะครับเพราะฉะนั้นก็ทีนี้ศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะมันวิจิตเหลือเกินนะครับเวลาทํากรรมเนี่ยเห็นไหมเห็นโยมใส่บาตรไหครับเห็นชัดเลยบางคนเนี่ยดุดาลลูกก่อนแล้วค่อยมาใส่บาตรนะใส่เสร็จกลับไปดุต่อ บางคนก็ใจดีใจดีบางคนก็ไม่ได้นะครับเครียดมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับบางคนก็เซลุมเซรือนั่นก็จะเห็นว่าเออตอนทําเหตุนะครับดูตอนทําเหตุเพราะฉะนั้นวิบากที่ได้รับก็จะสมควรแก่ชาวนาะเจตนาที่ตอนทําเหตุนั่นแหละครับไม่เกินกันเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าผลของบุญที่สมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยนะครับจะลักษณะนี้นะครับน่าปรารธนาน่าใคร่น่ารัก นะครับแล้วก็น่าพอใจหมายคาอว่าทําให้เกิดความนับถือมาเจริญใจไปเลยนะนั่นแหละผลของบุญนะครับเอข อ, อการครับที่ที่ว่าบุญกับความสุขนี่มันอันเดียวกันไหมคือบุญเนี่ยมันให้ผลเป็นความสุขบุญนี่เป็นชื่อของเหตุนะครับบุญเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งความสุขทั้งหลายแหละเพราะว่าบุญเนี่ยมันให้วิบากที่น่าปารถนาผมก็ลังนึกถึ ง, ถ, งถึงปัญหาการสปะหรือ คืออะไรที่ท่านุเอ่อเวลาไปบิณฑบาตท่านก็จะตั้งจิตได้ว่ า, าผูา้ต้องการบุญพึงพึงทำบุญอา่าผู้มีอา่าผู้ปรารถนาความสุขก็จงมีความสุขตรงเนี้ยครับก็คือให้ความสุขที่เกิดจากความไม่มีโรคเป็นต้นนั่นเองนะครับอกุศลบางอย่างไม่เบียดเบียนเนี่ยนะก็ได้รับความสุขละคือเป็นเหตุแห่งความสุขครับเพราะว่าคําว่าบุญทั้นี้หมายถึงวิบากที่น่าปรารถนานะครับในในคัมภีร์นี้นะ ในอัฐิสุดท้ายนะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขคือวิบากอันหน้าปรารถนานะครับความสุขนั่นแหละคือบุญเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวถึงอุปจาระอันไม่ต่างกันแห่งเหตุด้วยผลหมายถึงพลูปจาระใช่ไหมครับบาลีว่าไงครับพลูปจาระอะเพทูอ๋ อ, อคือหมายเขาว่าพูดถึงเหตุกับผลเนี่ยนะครับโดยไม่มีความต่างกันใช่ไหมครับ ตรงนี้ก็ปแปล ว, ว่าอันไม่ต่างกันแห่งเหตุด้วยผลนะครับต่อไปว่าผู้ไม่ประมาทสดับผลอันแจม่มแจ้งชัดเจนของบุญที่เขาสั่งสมมาแล้วควรทําบุญโดยเคารพเพราะเหตุนั้นท่านจึงชักชวนในการทําบุญเพราะผู้มีพระภาคเลยชักชวนนะครับให้เห็นว่าเวลาทําก็จะได้ทําด้วยความเคารพนะครับและให้เกิดความพอใจใส่ใจในการทําบุญนั้นของเขาเหล่านั้น คือบางคนเนี่ยนะครับทําบุญแบบทิ้ง ๆ, งๆิ้งว่างคว่าแบบไม่ค่อยเต็มใจทำเนี่ยนะเหมือนกับเช่นท่ า, าพระพิสูรเราก็ประพฤติวัดป ฏ, ฏิบัติก็ทําแบบไม่ค่อยเต็มใจนักอะไรนักเนี่ยนะก็ทําโดยคารขาดความเคารพเป็นต้นทีนี้ผลเวลาให้ผลเป็นยังไงครับเห่นไหมเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้าหมูเจ้าคณนะเป็นอะไรก็ไม่พูดแล้วไม่มีใครฟังอันนะเห็นไหมเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็ไม่ฟังลกูกหลานก็ไม่ฟังความอะไรลักษณะนี้นะครับเนื่องจากทําไม่ได้ทําด้วยความพอรับ ไม่ได้ตั้งใจทํำเลยสักแต่ว่าทำํทำๆไปอย่างนั้นแหละนะครับต่อไปว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกมาอ้างถึงเว็บากของบุญอันกว้างขวางอย่างยิ่งนะครับบุญที่ทํำนี่มันให้ผลจริงๆอย่างนั้นเถอะปกปิดระหว่างพบสเสวยบุญกรรมที่พระองค์ได้ทําแล้วในสมัยเป็นสุเนตะนะครับสุเนตตลอดกาลนานเมื่อจะทรงกระทําความนั้นให้ปรากฏนะคือเล่าอดีตชาติในสมัยที่เกิดเป็นสุเนตตอนนั้นได้ทําบุญเน่ยนะนะ แล้วบุญเหล่านั้นมาให้ผลนี่ก็ผมก็เอามาเล่าให้ฟังกล่าวถึงว่าเรารู้ด้วยญาณอันวิเศษยิ่งคือเรารู้ได้โดยชัดเจนนะครับที่ว่ากุศลกรรมนั่นนะที่ให้ผลเนี่ยนะครับเป็นสุขอย่างยิ่งที่ได้ประพฤติบุญเนี่ยนะตลอดกาลนานเจ็ดปีเนี่ยนะบทว่าเมตตาจิตตังความว่าเชื่อว่าเมตตาเพราะอัถฐวารักใครอธิบายว่าผูกเยื่อใย ชื่อว่าเมตตาเพราะความเจริญไปในมิตรหรือความเจริญนั่นเป็นไปต่อมิตรเมตตาเนี่ยนะจะคิดต่อคนที่เป็นมิตรเท่านั้นจึงจะคิดได้นะครับ mm hmm. เช่นคิดให้เขามีความสุขเนี่ยนะคิดให้มีความสุขเนี่ยแสดงว่าจะคิดได้กับมิตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่จะเจริญเมตตาได้ก็ต้องคิดว่าสัตว์ทั้งโลกเนี่ยเป็นมิตรถึงจะเจริญได้ขนาดนั้นนะครับเพราะมีต่อมิตรอย่างเดียวนะน เพืงทราบวินิจัยเมตตาโดยลักษณะเป็นต้นต่อไปเมตตามีอันเป็นไปในอาการให้ประโยชน์เกื้อกูลเป็นลักษณะคือหวังประโยชน์หวังความสุขต่อสัตว์นั้นๆนะลักษณะนั้นเป็นลักษณะของเมตตามีการนำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นรัศกะคือกิจของเขาก็คือจะนำประโยชน์ไปให้นะเช่นหวังให้เขามีได้รับความสุขความเจริญยิงย่งขึ้นไปลักษณะนี มีการปลดเปลื้องความอาฆาตเป็นอาการปรากฏหมายความว่าคนที่เจริญก็โทสะไม่ปรากฏนั่นเองนะครับถ้ามีเมตตาก็จะไม่มีโทสะนะมีการแสดงความพอใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นเหตุใกล้นะหมายความว่ามีความหน้าพอใจของสัตว์นั่นแหละครับเอ๊กก็ไ ม, ม่มีใครหน้าตําหนีหน้าดุหน้าวา้าหน้าวา่าหน้าอะไรนะครับชื่นชมไปเลยมีหวังดีปาถนาดีนะ เขาบอกว่ามารดาผู้มีบุตรคนเดียวเนี่ยนะครับถนอมลักษณะนั้นนะ่ะนะนั่นแหละเป็นเหตุใกล้เมตานั้นนะครับมีปิยมานาปะสัตนะครับสัตว์ที่น่าปรารถนาน่าใครนะครับเป็นอารมณ์คือหมายถาว่าสัตว์ที่น่ารักนะ่ะนะเป็นอารมณ์แต่อย่าลืมว่าเมตานั้นถ้าเจริญถูกต้องนะครับมีความสงบโทสะเป็นสมบัติของเมตตาแต่ถ้ามีสิเนหาเป็นวิบัติของเมตานะครับ เมตตาชีพหายต่อเมื่อมีใจเสน่หาผูกพันด้วยอำนาจตันหานั้นวิบัติเลยนะครับเจริญไปเจริญมาถ้าเจริญผิดช่องทางนี่นะครับตันหากำเริบนะครับทีนี้เออเขากันคําว่าเสน่หานี่เป็นชื่อของตันหาตันหาแล้วก็เสน่หาเป็นหมายอย่างเช่นว่าแม่รักลูกอย่างเงี้ยบ่าคนที่ไม่ไม่ได้สงบทถนายอย่างเช่นว่าลูกเกิดเดือนไม่จบเดือนไรขึ้นมาเป็นคนเกเรอย่างเงี้ยแกก็เลยโทสะโทะเกิดก็โคโลตอนกันนะครับ แ ต, แต่ลักษณะของเสนหาเนี่ยมาเช่นนะครับยกตัวอย่างก็คือพระหนุ่มเจริญเมตานะครับก็ดูนะครับภาพนะใครเนี่ยโผลมาในระหว่างเจริญเมตตาที่สุดนะครับถ้าหากว่าเป็นบุคคลทั่วไปธรรมดาก็ครูอาจารย์หรือถ้าผู้หญิงก็รวมๆไปเลยนะแต่ถ้าภาพผู้หญิงคนใดคนหนึ่งปรากฏเรื่อยๆเนี่ยนะครับนันนะนะวิบัตแล้วนะครับเมตตากาลังจะชิพานะครับ ให้หันรีบไปเจริณอสุภาเร็วๆนะครับถ้าเกิดพ่อพูนหนักๆเข้าลำบากนะครับเพราะฉะนั้นให้ไปเจริณอสุภาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมตตาถ้าเมตตานี่นะถ้าบอกว่าเจริญกับเพศตรงข้ามให้เจริญรวมๆอย่าไปนึกเจาะจงนะครับแต่ถ้าโผล่มาเรื่อยๆแหมนี้แสดงว่าวิบัติแล้วนะครับครับ ที่ชื่อว่าเมตตาจิตเพราะจิตมีเมตตาคือไม่ใช่สัตว์อะไรรอกที่ไปมีเมตตานะเป็นชื่อของจิตเท่านั้นแหละที่ไปมีเมตตาแบบนั้นบทว่าพาเวตาวาได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามาที่ด้วยหัวข้อแห่งจิตอันสหรคตด้วยเมตตาเพราะเหตุนั้นจึงยังเมตตาสมาธิยังเมตตาพรหมิหารให้เกิดและให้เจริญนะคะคือหมายถึงสมถะนั่นเองนะครับบทว่าสัตตสังวตวิวั ตะกับเปได้แก่มหากับเจหรือ7มหากับ น, นะนี่ก็ขยายเกี่ยวกับศัพท์นะครับก็คือหมายถึงเรื่องของการเจริญเมตตานั่นเองก็บอกว่าขอเลยไปที่บอกว่าบทว่าพรมมาเชื่อมความว่าชื่อว่าพรมเพราะอัตถาว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ชั้นกามาวจรและเพราะอัตถาว่าเกิดจากพรมวิหารธรรมเพราะงอกงามด้วยคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนั้น ถ้าหากว่าเจริญเมตตาก็ถ้าได้ฌานก็สู่เป็นพรหมใช่ไหมครับประเสริฐกว่าเทวดาชั้นกามาวจรทั้งหมดนะครับชื่อว่ามหาพรหมเพราะเป็นพรหมผู้ใหญ่กว่าพรหมปริสัชชะและพรหมปุโรหิตชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะปราบปรามพวกพรหมเหล่านั้นได้นะใหญ่ก็คือสามารถควบคุมพรหมปริสัชชะและพรหมปุโรหิตได้นะนี่นะคือหมายความว่ามีเดชนะนี บาลีใช้คำว่าไงครับครอบงำเมือนนี<ล>ที่จริงครอบงำนั่นเองนะครั บ, <พ>บหมายความว่าดูแลได้ะนะหมายความว่าดูแลพรหมชั้นเหล่านั้นนั้นได้ะนะได้ยินว่าในการนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะครับแม้ได้สมาบัติแปดก็ยังตรวจดูประโยชน์เกื้อกูลของสัตว์อย่างนั้นและการบําเพ็ญบารมีของพระ อ, องค์ยังความใคร่ในภูมิชาสองเหล่านั้นให้เกิด ทรงท่องเที่ยวไปไปมามาด้วยเมตตาพรหมิหารธรรมนั้นเพราะฉะนั้นโอหอยู่สบายสบาย7สังเจมหากรัปนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นประกาศวิบากอันยิ่งใหญ่ของบุญอันเป็นรูปาวจรแล้วบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงถึงวิบากอันยิ่งใหญ่ของบุญอันเป็นกามาวจรจึงตรัสดังนั้นนะครับที่บอกว่าเป็นเท้าสักกะ36ครั้งนะครับแล้วก็เป็นพระราชาจากักรพรรดิอีกนะครับ พระราชาจากักรพรรดนั้นเป็นพระธรรมราชาทีนี้ศัพท์ว่าราชานี่เคยเคยฟังไหมครับราชาโดยมากเราจะแปลกันว่าร่ํารวยนะแบบไทยๆเรานะแต่บาลีว่าเพราะยังชาวโลกให้ชื่นชมด้วยอัจฉริยธรรม4และสังฆหาวัตถุสี่นะครับนี่ลักษณะของพระราชานะคือผู้ที่สงเคราะห์ประชาชนด้วยสังคหาวัตถุสี่ชื่อว่าจากักรพรรดิเพราะยังจักรรัตนะ ให้หมุนไปจักรรัตนะย่อมหมุนไปด้วยสมบัติจักสีทั้งยังจักรรัตนะ์อื่นให้หมุนไปด้วยสมบัติจักสีเหล่านั้นทั้งมีจักสีคืออริยาบท4หมุนไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นนะครับพระเจ้าจักรพรรดินี่นะครับเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับเชื่อว่าธรรมนิโกเพราะประพฤติโดยธรรมอธิบายว่าย่ยอมประพฤติโดยระเบียบแบบแผนโดยเสมอ เชื่อว่าทำ ร, รมราชาเพราะได้รับสมบัติโดยธรรมจึงเป็นพระราชานะครับนี่ก็อธิบายถึงคุณธรรมของพระเจ้าจากักรพรรดินะครับขอโอกาสนิดนึงคำ ว, ว่าย่อมประพฤติโดยระเบียบแบบแผนโดยเสมอเนี่ยหมายความขยายนิดนก็อยู่ในกุศลกรรมรบทอย่างมั่นคงนะครับปกติก็มีศีลห้าวันพระก็โอรสศีลเนี่ยนะครับเป็นต้นนั่นแหละแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมมาบดสินะครับลักษณะนั้นแหละ ในหน้าถัดไปนะครับเชื่อว่าสัตต ะ, ตะตนะสมนาคาโตประกอบด้วยรัตนะเจประการเพราะถึงพร้อมด้วยรัตนะเจประการเหล่านี้คือพระเจ้าจักรพรรดิมีรัตนะเจนะหนึ่งจักแก้วสองช้างแก้วมา้าแก้วแก้วมณีญิงแก้วครืหาบดีแก้วปรินายกแก้วนะครับนะครับดูรายละเอียดได้นะครับถ้าจะดูกว้างขวางกว่านี้นะก็ดูในภารับบันทิดสูตรนะครับ อัตกรถาก็อธิบายดีเหมือนกันในรัตนะเหล่านั้นพระราชาจักรพรรดิทรงชนะแว่นแควนที่ไม่มีใครชนะได้ด้วยจักรรัตนะจักผ่านไปที่ไหนเนี่ยชนะหมดนะครับสเสด็จเที่ยวไปในแว่นแควนด้วยช้างแก้วและม้าแก้วอย่างสบายทรงปกครองแว่นแควนด้วยปรินายกแกว้วทรงเสเวยอุปโภคสุขด้วยรัตนะที่เหลือนะครับพระเจ้าจักรพรรดนั้นทรงประกอบ ความสา ม, มารถทางอุตสาหะด้วยรัตนะที่หนึ่งคือจักแก้วทรงประกอบด้วยความสา ม, มารถทางพระปัญญาด้วยรัตนะสุดท้ายคือมีปรินายกแก้วนะครับทรงประกอบด้วยความสา ม, มารถทางอำนาจเต็มบริบูรณ์ด้วยช้างแก้วม้าแก้วและเคหรหบดีแก้วนะครับคือความเพียรเนี่ยนะอาศัยจักนะครับทำให้มีอุตสาหะส่วน ปรินายกก็คือเพราะสมบูรณ์ด้วยคือมีความสามารถทางปัญญานะก็ด้วยปรินายกใช่ครับส่วนมีอำนาจก็ด้วยช้างแก้วม้าแก้วและเครือหับดีแก้วแล้วก็ผลจากการประกอบความสามารถสามอย่างก็ได้เสวยความสุขในด้วยหญิงแก้วและแก้วมณีนะครับนะคือผลที่มีความอุตสาหามีปัญญามีอำนาจก็มีอะไรครับทาให้มีหญิงแก้วและ แก้วมณีนั่นเองนะครับพระเจ้าจากักรพรรดนั้นสเสวยพวกขสุขด้วยหญิงแก้วและแก้วมณีสเสวยอิสริยสุขด้วยรัตนที่เหลือนะครับคือพวกจัดแก้วช้างแก้วม้าแก้วเครือหาบดีแก้วและปรินายกแก้วนะอันหนึ่งโดยความต่างกันสมรัตนะข้างต้นพระเจ้าจากักรพรรดิสำเร็จด้วยอนุภาพของกรรมอันเกิดจากกูศุลโมนคืออะโทสะนะครับ สข้างต้นหมายถึงมีจักแก้วช้างแก้วมาแก้วเนื่องจากไม่โกรธนะครับ3าอย่างเนี่ยนะไม่โกรธก็จะทําให้มีจักแก้วช้างแก้วมาแก้วเนี่ยนะครับรับตนะสมตอนกลางสําเร็จด้วยอนุภาพของกรรมอันเกิดจากกุศลมูลคืออโลภะก็จะทําให้มีแก้วมณีมีหญิงแก้วครึ่หบดีแก้วนี้เนื่องจากอะโลภะคือไม่โลภนะครับ รัตนะหนึ่งสุดท้ายนี่นะครับสําเร็จด้วยด้วยอนุภาพแห่งกรรมเกิดจากกุศลมูลคืออโมห ะ, นะะอโมหะปัญญาจะทําให้บุญอันนี้ทําให้มีปรินายกแก้วอะโลพาให้ผลจะได้บุญคือแก้วมณีหญิงแก้วแล้วก็ครืหาบดีแก้วอะโทสะก็จะทําให้มีจักรแก้วช้างแก้วและม้าแก้วเพราะฉะนั้นเจริญนะครับอะโลพอาอะโทส า, ามหันี้ไม่ผิดหรอกครับจเจริญมีแต่ดีอย่างเดียวอืม นี่ก็กล่าวถึงบทความในสูตรนี้ที่น่าสนใจตอนหนึ่งเขาบอกว่าที่กล่าวว่าเรานั้นดำริว่าบัตรนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะผลวิบากแห่งกรรม3ประการของเราคือทานธรรมะและสัญญะอธิบายนะครับว่าคำว่าทานนี่นะครับได้แก่การบริจาคทายธรรมมีข้าวเป็นต้นนะครับ คือให้ข้าวให้น้ําให้ผ้ายืดยานพาหนะดอกไม้ของหอมเนี่ยนะครับหรือว่าให้ที่เรียกว่าให้เครื่องนุ่งห่มให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยหรือให้อยู่ให้ยาให้รูปให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้โพธาภาและให้ธรรมอารมณ์ันนะถ้าพูดตามสำนวนพระสูตรเขาเรียกวัตถุฐาน10พูดตามพระวินัยเขาเรียกว่าปัจจัย4พูดสำนวนอภิธรรมได้แกอารมณ์6นะครับนี่เรียกว่าวัตถุที่ที่ให้นะหรือทายธรรมทั้งหลาย บทว่าธรรมะได้แก่การฝึกอินทรีย์มีจักษุเป็นต้นหมายคขาว่าเห็นแล้วใจไม่เป็นบาปเนี่ยนะหรือว่าทรงขม่มกิเลสมีราค่าเป็นต้นด้วยการสมาทานถ้ากิเลสเกิดขึ้นก็สมาธานประพฤตินะครับถามว่าของเราทำไงครับเรา ย, ยกตัวอย่างนะเวลาสวดมนต์ไหว้พระทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเอากุศลนั้นน้อมไปเพื่อให้ละ ก, กิเลสนั้นนั้ น, น, นได้นะครับ เช่นสวดมนต์ไหว้พระเจริญพุทธคุณกราบพระเจดีเป็นต้นเนี่ยนะก็ตั้งความปรารถนาว่าขอผู้สนที่เป็นไปเนี่ยเป็นไปเพื่อกำจัดอิกิเลตตัวใดที่เราไม่ปรารถนาก็ตั้งแบบนี้เรื่อยตั้งบ่อยๆนะครับต่อไปจะเห็นโทษสิ่งนั้นนั่นเองนะครับถ้าเราฟุ้งซ่านมากๆก็ทําบุญเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งขอกุศลเหล่านี้จงเป็นอุปนิสัยเพื่อความไม่ฟุ้งซ่านด้วยเถิดอย่างเงี้ยนะ <ๆ S 1> ก็ตั้งแบบนี้เรื่อยๆนะครับ แต่ว่าต้องตั้งไม่เลิกนะครับไม่ใช่ว่าตั้งครั้งเดียวแล้วก็รอมันจะให้ผลนะครับนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็มันตั้งบ่อยๆ อ, อธิษฐานบ่อยๆนะครับสมาทานบ่อยๆเดี๋ยวก็เป็นเองนะครับบอกว่าสั ญ, ญมัสสะได้แก่เป็นผู้สำรวมกายและวาจาอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลหรือกุศลกรรมบทนั่นเองนะครับใน3ประการนั้นการกำจัดกิเลสด้วยการสมาทานอันใดอันนั้นเป็นบุญสำเร็จด้วยการภาวนานะครับ โอ้สมัหมันสมาทานเนี่ยสมาทานที่จะประพฤติเมตตาเป็นต้นเนี่ยนะครับก็บุญนั่นแหลเป็นเมตตาพรหมิหารท่านประสงค์เอาในที่นี้นะครับจะตั้งจิตเพื่อเมตตานะในอุปจาระและอั ป, ปนาทั้งสองอย่างนั้นบุญใดถึงอั ป, ปนาความเกิดขึ้นในภูมิฌานสองตามที่กล่าวแล้วมีได้ด้วยบุญนั้นนะครับคือถ้าหากว่าเมตตาที่ถึงฌานนะครับภูมิฌานสองในแก่ปฐมฌานและทุติยฌานนั่นเองนะครับ เพื่อทราบความเป็นจักรพรรดิเป็นต้นตามควรมีได้ด้วยวิบากสามอย่างคือด้วยผลของทานด้วยผลของธรรมะและด้วยผลของสัญญมะมันจะต้องรู้จักให้ทานรู้จักข่มกิเลสแล้วก็รู้จักเจริญเมตตานั่นเองนะครับด้วยประการดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทาพระองค์ให้เป็นกายสักขีคือเป็นพยานแล้วทรงประกาศความที่บุญเนี่ยมีผลมากนะครับ บทนี้เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนั้นโดยคาถาประพันธ์คาถาประพันธ์ที่ทรงตรัสด้วยว่ากุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์พึงศึกษาบุญนั่นแหลอันสูงสุดต่อไปซึ่งมีสุขเป็นกำไรคือพึงเจริญทานความประพฤติสงบมเมตตาจิตบันเด็ดครั้นเจริญธรรมะสามประการอันเป็นเหตุเกิดแห่งความสุขเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนและก็เป็นสุขนะครับ ซึ่งอัตถกถาอธิบายว่าบทว่าปุญญเมวโสสิกขยะความว่ากุลบุตรผู้ใไขประโยชน์พึงศึกษาพึงดํารงมั่นพึงเสพธรรมะเป็นกุศลสามอย่างอันได้ชื่อว่าบุญเพราะให้เกิดผลอันน่าบูชาคําว่าบุญนะครับบุญเนี่ยวิเคราะห์ศั้นนะบุญนี่เพราะให้ให้ผลที่น่าบูชานะครับอะไรที่น่าบูชานั่นแหละผลของบุญนะครับแล้วก็เพราะชําระสันดานของตน ผลของบุญหน้าบูชาถ้าบุญนี้เกิดขึ้นชำระสันดานหรืออุปนิสัยของตัวเองนั่นเองบทว่าอายะตะคังความว่าบุญนั้นชื่อว่าอายะตะคังเพราะมีผลภัยบณ์มีผลยิ่งใหญ่หรือสูงสุดต่อไปเพราะมีผลน่ารักน่าพอใจหรือเพราะเลิศ ด, ด้วยความเจริญคือด้วยความยิ่งใหญ่และสูงสุดด้วยปัจจัยมีโยนิโสมนัิการเป็นต้น บุญเนี่ยนะครับถ้าขาดปัจจัยคือโยนิโสมนัสิการเป็นต้นก็ยากที่จะจะเกิดนะบุญเนี่ยเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยนะครับต้องอาศัยปัจจัยเยอะนะต้องปัจจัยต้องสูงมากกุศลจิตจึงจะเกิดได้นะครับอย่าลืมว่าโยนิโสมนัสิการ์นะนะั่นเป็นปัจจัยแห่งบุญแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าโยนิโสมนัสิการก็มีปัจจัยอีกครั้งหนึ่งนะครับเราควรที่จะมองปัจจัยทั้งระบบเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งบุญชื่อว่าอายะตะคังเพราะเลิศคือ เป็นประธานท า, ทางความเจริญอันเป็นผลหน้าพอใจอธิบายว่าต่อจากนั้นก็มีสุขเป็นกําไรคือมีสุขเป็นวิบากนะถ้าบุญเนี่ยบุญจะเป็นอย่างนั้นแหละครับถ้าทุกข์เมื่อไหร่เกิดขึ้นให้รู้เถอะว่านั่นไม่ใช่ผลบุญนะครับท่านถามว่าก็บุญนั้นน่ะเป็นไนและกุลบุตรพึงศึกษาบุญได้อย่างไรต่อว่าพึงบําเพ็ญทานสมเจริยาและเมตตาจิตนะครับนี่วิธีจะทําบุญนะ ทางนี้ก็ชัดเจนส่วนสมะจริยาก็ได้แก่ศีลอันบริสุทธิ์มีการประพฤติระเบียบทางกายเป็นต้นเพราะเว้นจากความประพฤติที่ไม่เป็นระเบียบทางกายเป็นต้นนะครับก็คือประพฤติกายให้เป็นระเบียบวจีให้เป็นระเบียบนะครับระเบียบที่บาลีว่าไงครับครับสมะจริยังเนี่ยนะคำว่าศีลอันบริสุทธิ์มีการประพฤติระเบียบทางกายเป็นต้นนะครับเพราะเว้นจากความประพฤติที่ไม่เป็นระเบียบทางกายเป็นต้น อ๋อวิสมะนะครับความไม่เสมอนะใช่เพราะว่าศีลเนี่ยนะครับไม่เสมอทุศีลคือความไม่เสมอทางกายความไม่เสมอทางวาจานะครับก็คือเช่นปานาฏิบาตเป็นต้น น, นะแต่พระเราก็ให้เน้นโดยที่มองไปที่จตุปริสุทธิศีลนะครับค า, ารว่าเขาจะมองไปที่กุศลกรรมบท10บถ้ากุศลกรรมบทสิบละเมิดก็แสดงว่าไม่เป็นระเบียบเลยนะครับบทว่าภาวเยได้แก่พึงให้เกิดคือให้เจริญในสันดานของตน บทว่าเอเตทำเมได้แก่สุจริตธรรมมีทานเป็นต้นเหล่านั้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มีสุขเป็นอานิสงส์บทว่าอัพยาปะชางสุขขังโล ก, กังได้แก่โลกอันไม่มีความเบียดเบียนคือไม่มีทุกเพราะเว้นจากพยาบาทอันมีกามฉาันทะเป็นต้นอันนี้ก็หมายถึงพรหมะนะพรหมก็ไม่มีพยาบาทเบียดเบียนและถ้าเจริญเมตตา ม, มากกว่างั้นแถอะ พรหมโลกของฌานและบุญเนี่ยชื่อว่าเป็นสุขและชื่อว่าเป็นสุขโดยส่วนเดียวเพราะมากไปด้วยความสุขด้วยอำนาจฌานและสมาบัตินะครับถ้าหากว่าเข้าถึงพรหมโลกนะมีแต่มุวนขนาดเลยแต่บัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นสุขกล่าวคือความเป็นผู้มีสมบัติอื่นจากนั้นของบุญนอกนี้นะครับถ้าหากว่ามาจากพรหมโลกนะครับโอ้โหบุญก็ไม่ได้ให้ผลต่ําต้อยอะไรเหมือนพระกสปะนะครับนั่นแหละถ้าหากว่า มาจากผลของบุญแล้วก็ดีแบบนั้นแหละครับมีแต่ดีอย่างเดียวเ่มือนกัน